สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับเรากลับมาอยู่ใน20กดทองคำกดข้อที่12ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์ผมจะขอแบ่งปันจากที่ท่านศาสนราจารย์ดรฟิลิปเทงได้เขียนขึ้นต้นฉบับเป็นภาษาจีนนะครับแปลโดยท่านศาสนาจารย์สุพิษวิจักโยธินครับพี่น้องครับเช้าวันนี้ เรามาอยู่ในประเด็นที่5เกี่ยวกับเรื่องของความสำคัญของความเชื่อครับความสำคัญของความเชื่อนั้นก็คือรากฐานของความเชื่อคือพระวจนะของพระเจ้ารากฐานของความเชื่อนั้นคือพระวจนะของพระเจ้าเพียงครับทาไมจึงต้องเชื่อว่าพระกัมภีไม่มีข้อผิดพลาดและมีสิทธิอานาจและเป็น สิ่งที่นำมาซึ่งความเชื่อของเราผมอยากจะแบ่งปันจากหนังสือยีสิบกฎทองคานี้นะครับท่านศาสตราจารย์ดรฟิลิปแทงเขียนอย่างนี้ครับว่าพระเจ้าทรงประกอบพระราชกิจโดยไม่ละเลยพระวจนะของพระองค์ถ้อยคาของพระองค์ไม่เคยสูญเปล่าแล้วเห็นได้ว่าคาว่าไม่ละเลยพระวจนะของพระองค์ และไม่เคยชูนเปล่านั่นแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ความถูกต้องและการไม่มีข้อผิดพลาดของพระกัมภีพระเจ้าในวิชา ว, วันนี้มัทธิวบทที่5้ข้อ18ครับมัทธิวบทที่5้ข้อ18โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าตราบใดที่ฟ้าและดินดำรงอยู่แม่สอนหนึ่งหรือขีดขีดหนึ่ง ก็จะไม่สูญไปจากธรรมบัญญัติจนกว่าสิ่งที่จะต้องเกิดได้เกิดขึ้นแล้วโปรดฟังอีกครั้งตราบใดที่ฟ้าและดินดำรงอยู่แม้อักษรหนึ่งหรือขีดขีดหนึ่งก็จะไม่สูญไปจากธรรมบัญญัติจนกว่าสิ่งที่จะต้องเกิดได้เกิดขึ้นแล้วพระคมภีข้อนี้นะครับเป็นพระวจนะของพระเจ้าและพระวจนะของพระเจ้านี้เป็นความจริง ได้สำแดงในชีวิตของพระเยซูคริสต์ความลึมลึกของพระเจ้าได้ดํารงอยู่ในพระคิดทั้งหมดและภารกิจของพระเจ้าไม่ได้อยู่นอกเหนือองค์พระเยซูคริสต์พี่น้องครับประโยคที่กล่าวมาแล้วนะครับเป็นประโยคที่สําคัญมากถ้อยคํานี้คือพระวจนะของพระเจ้า และพราะนะนี้ได้สำแดงในชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้าความล้าลึกของพระเจ้าดำรงอยู่ในพระเยซูคริสต์ทั้งหมดและพระราชกิจของพระองค์ไม่ได้อยู่นอกพระเยซูพระราชกิจของพระเจ้านั้นไม่ได้อยู่นอกพระเยซูและความล้าลึกของพระเจ้าก็อยู่ในพระเยซูพี่น้องครับทุกอย่างที่ พระกัมพีได้สำแเดงก็สำแดงถึงพระเยซูนั่นคือสิ่งที่เป็นหลักการหรือหลัก ศ, ศาสนาในเรื่องของพระวจนะและพระเยซูท่านอาจารย์เปาโลท่านกล่าวว่าทุกอย่างของคริสเตียนเหล่านั้นอยู่ในพระเยซูอยู่ในพระคริสต์พระเจ้าจะไม่ประกอบพระราชกิจของพระองค์ นอกพระเยซูพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นการทรงสร้างไม่ว่าจะเป็นการทรงไทยไม่ว่าจะเป็นชีนวิตวิตนิลันไม่ว่าจะเป็นการรับใช้อะไรต่างๆนั่นก็อยู่ในพระเยซูคริสต์ทั้งนั้นจึงเกิดวลีที่ว่าในพระคริสต์ภาษาอังกฤษเรียกว่า in Christ in Christ ในพระเยซูคริสต์พี่น้องครับเวลาที่เราทูลขอพระเจ้าในเรื่องไม่ชอบธรรม ก็จะไม่ได้รับความสำเร็จนี่คือความเข้าใจที่สำคัญมากครับไม่ใช่เชื่ออย่างเดียวทุกอย่างจะสำเร็จผลก็ต้องมาจากพระเยซูครับและต้องเกิดจากความชอบธรรมที่อยู่บนพื้นฐานพระวจนะของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่สำคัญมากครับหากเราทูลขอไม่ได้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์หรืออยู่ในพระองค์แล้วแล้วก็เราจะไม่ได้รับ เพราะว่าเราขอผิดนั่นคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเป็นอย่างยิ่งครับพี่น้องครับเพราะว่าหลายครั้งทีเดียวเราขอในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราขอในสิ่งที่ไม่ชอบทำเราขอในสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าเราก็ไม่ได้ครับแต่ในทางกลับกันครับถ้าเรารู้พระวจนะของพระเจ้าเราเรียนพระวจนะของพระเจ้าเรารู้น้ำพระทัยของพระเจ้า เราทูลขอตามน้ำพระทัยของพระองค์เราก็จะได้รับตามน้ำพระทัยตามใจขององค์พระผู้เป็นเจ้าความปรารถนาขององค์พรนเจ้าที่มีต่อเรานั้นดีที่สุดครับสิ่งที่พระเจ้าต้องทํากับชีวิตของเรานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วนั่นคือน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งถือว่าเป็นน้าพระทัยอันเลิศประเสริฐของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของพวกเราทั darum, ้งหลาย เพราะฉะนั้นอย่าไปถูกซาตานหลอกลวงครับซาตานอาจจะทําเรื่องอัศจรรย์สิ่งแปลกประหลาดใหญ่โตมากมายได้เพื่อทําให้คนนั้นหลงงมงายกับมันแต่พระเจ้าทรงประกอบพระราชกิจนั้นล้วนอยู่ในพชนะของพระองค์เสมอสิ่งที่พระเจ้าทานั้นพระเจ้าทํานั้นล้วนตั้งอยู่ในพระคัมภีร์เสมอ นั่นคือสิ่งที่สำคัญครับแต่ต้องสอดคล้องกับพระกัม พ, พีเสมอดังนั้นเองเราจะต้องไม่ห่างเหินจากพระกัม พ, พีครับเราจะต้องอยู่ใกล้ชิดกับพระกัม พ, พีเราจะต้องไม่ห่างเหินจากพระไทยของพระเจ้าและไปแสวงหาการอัศจรรย์อื่นๆนอกเหนือจากสิ่งที่ได้พบในพระกัม พ, พีพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สาคัญมากผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าหลายครั้งทีเดียวนะครับ ได้มีการอ้างพระกัมพีเข้าข้างตัวเองนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราเองนั้นจะต้องรู้พระกัมพีครับเมื่อล้เมื่อเรารู้พระกัมพีพอเราได้เจอเจอคนที่อ้างสิ่งเหล่านี้ครับเราก็จะรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดไม่อยู่ในหลักการของพระเจ้าพี่น้องครับในพระธรรมสุริยบดีบทที่1 1 9ริข้อมีความดังนี้ครับ ค่าแต่พระเจ้าพระวจนะของพระองค์ปักแน่นอยู่ในสวรรค์เป็นนิดพี่น้องจะเห็นนะครับว่าพระคมพีซึ่งเป็นพระวจนะของพระเจ้านั้นก็ดำรงอยู่เป็นเมสเ g จหรือเป็นข่าวสารจากสวรรค์และอะไรที่เป็นเมสเซจของพระเจ้าเป็นพระวจนะของพระเจ้าก็จะปักแน่นอยู่ในสวรรค์ตลอดไปนั่นหมายความว่าพระวจนะของพระเจ้านั้น ไม่เคยผิดพลาดและจะเป็นความจริงตลอดการพระคัมภีร์นั้นเป็นกฎข้อบังคับเดียวในเรื่องของความเชื่อและการประพฤติและถ้าพระคัมภีร์ไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือเราจะวางพื้นฐานความเชื่อของเราไว้ที่ไหนล่ะครับพระเยซูบอกว่าให้เราวางใจในพระองค์และมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่พระเยซูทรงตรัสในพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องครับ ยอ์นบทที่6ข้อ67นะครับ6 7ถึงได้กล่าวอย่างนี้ครับว่าพระเยซูตรัสกับส2องคนนั้นว่าท่านทั้งหลายจะจากเราไปด้วยหรือซีโมนเปโตรทูลตอบพระองค์ว่าพระองค์เจ้าค่าพวกข้าพระองค์จะจากไปหาผู้ใดเล่าพระองค์มีถ้อยคำซึ่งให้มีชีวิตนิรันดรพี่น้องเห็บพระเจ้าพระเยซูนั้นมีถ้อยคำที่นำมา ถึงชีวิตนิรันดร์ให้ชีวิตนิรันดร์เกิดขึ้นและข้าพงค์ทั้งหลายก็เชื่อและทราบมาแล้วว่าพระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้าพี่น้องครับการที่พระคมพีนั้นไม่มีข้อผิดพลาดไม่ได้หมายความว่าเราต้องหยุดการใช้ความคิดของเราหรือยอมรับในสิ่งที่พระคำพีกล่าวอย่างตาบอดไร้สติแบบงมงาย แต่ว่าเราได้รับพระบัญชาให้ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าในสองทิโมธีบทที่สอข้อสิครับจงอุตสาสาแดงตนว่าได้ทรงพิสูจน์แล้วว่าเป็นคนงานที่ไม่ต้องอายใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้องพี่น้องครับเราต้องอุตสาหะครับเพื่อที่จะแสดงตัวว่าพระเจ้าได้ทรงพิสูจน์แล้วพระเจ้าได้ทรงพิสูจน์แล้วซึ่งคนอย่างเรา ที่เป็นคนงานของพระเจ้าและเป็นคนงานที่จะต้องไม่อายด้วยเป็นคนงานที่ใช้พระเจ้ของพระเจ้าได้ถูกต้องพี่น้องครับเราจะต้องเข้าใกล้พระคมภีด้วยความนับถือและด้วยการอธิษฐานถ้าเราพบบางสิ่งที่เราไม่เข้าใจเราก็อธิษฐานให้มากขึ้นศึกษาให้มากขึ้นถ้ายังไม่เจอกับคำตอบก็จงถ่อมใจยอมรับความจากัดของเราเอง ต่อหน้าพระวจนะที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้านั้นสมบูรณ์ที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่สมบูรณ์มากกว่านี้แล้วนี่คือความจริงที่สูงสุดที่คริสเตียนเรามีต่อพระวจนะของพระเจ้าและนั่นทำให้เราเกิดความเชื่อครับพื้นฐานของความเชื่อนั้นจะต้องวางอยู่บน วาจนะของพระเจ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากครับพื้นฐานความเชื่อของเราต้องวางอยู่บนภวจนะของพระเจ้าอามน